บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธรชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาซึ่งทรงจำแนกแสดงไว้โดยนิยะต่างๆนั้นแม้จะแตกต่างกันโดยรูปแบบและพิธีการในการเข้าถึงธรรมะ แต่เมื่อกล่าวโดยเนื้อหาแล้วก็จะเป็นเรื่องเดียวกันแต่เมื่อเราศึกษาถรองวิธีการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จะพบว่าทรงใช้หลายวิธีวิธีที่ถือว่าเต็มที่ที่สุดจะใช้ตามโครงสร้างของสมาวิยมะคือทรงสั่งสอนในบุคคลใช้ความเพลียนพยายาม ในการป้องกันบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นโดยการสำรวมระวังรี์ทั้ง4ประการแล้วเมื่อบาปอกุศลที่มีอยู่แล้วภายในใจก็ทรงสอนให้มองเห็นโทษแล้วก็เพียรพยายามลดละบรรเทาไปเรื่ จนกว่าบาปกุศลที่มีเชื้ออยู่ไปในใจหมดไปจากใจใจจะเป็นความบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายถึงว่ากันตามความเป็นจริงแล้วใจนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพังมันมีสิ่งที่ท่านเรียกว่าเจตสิกคือเกิดอยู่ด้วยลาพังใจเองก็จะอยู่ไม่ได้ จะต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกคือกุศลและอกุศลเกิดขึ้นภายในใจเพราะงการที่ใจใครก็ตามอากุศลหมดไปก็แสดงว่ากุศลก็เต็มเปี่ยมในที่นั้นเนื่องจากเป็นการแสดงหลักการปฏิบัติก็ทรงสอนให้มีภาวนาประทานคือเปลียนพยายามที่จะเพิ่มบุญเพิ่มกุศลเพิ่มความดีขึ้นไปเรื่อย ส่วนกุศลความดีที่สร้างเกิดขึ้นแล้วก็มีอยู่แล้วภายในใจก็เพียงพยายามที่จะเพิ่มพูในเต็มเปี่ยมขึ้นไปโดยลำดับนั่นเรียกว่าเป็นคำสอนที่เต็มที่สอนในแนวป้องกันแนวบาบัดแนวบารุงแนวรักษาแต่ผลก็จะออกมาในรูปของปริมาณธรรมะเพิ่มขึ้นภายในจิตอกุศลก็ลดลงไปไดรืย ถึงจุดหนึ่งกุศลเต็มเปลี่ยมภายในจิตก็แสดงว่าอากุศลก็หมดไปจากจิตอีกแนวหนึ่งเป็นการสอนที่เราเรียกว่าปาณภาวนาคือสอนในละชั่วประพฤติ่ะเป็นคำสอนที่ค่อนข้างแพร่หลายอยู่มาะในโครงสร้างของโอวาตปาธิโมกข์ที่ทรงแสดงหลักการปฏิบัติสามขั้น อย่ป้องกันบาปทั้งปวงทํากุศลให้สมบูรณ์ทําจิตให้ผ่องแผ้วถึงว่ากันตามกันจริงเดือนโดยเนื้อหาแล้วการที่อกุศลเราไม่ทําบาปด้วยประการทั้งปวงนั้นก็เห็นอีกภาพหนึ่งว่าทํากุศลด้วยประการทั้งปวงหรือว่าการทํากุศลให้สมบูรณ์นั้นก็แสดงว่าบาปมันก็หมดไปและการทําใจให้ผ่องแผ้วนั้น ก็หมายความว่าใจผ่องแผ้วจากบาปแตกกุศลก็แสดงว่าใจเต็มเปลี่ยมไปด้วยกุศลเพราะในคำสามคำนี้ที่จริงธรรมข้อใดข้อหนึ่งก็ชื่อว่าธรรมครบทั้งสาประการท่า น, นจึงมีโวาหารเรียกอีกในยา่าหนึ่งว่าศีลสมาธิปัญญาหรือใจสิกขาหรืออะไรยีมารยองแป8ประการอีกแนวหนึ่งเป็นการพูดเรื่องบวาเพีย เดียียกว่าภาวนาเฉยๆไมพูดเรื่องอื่นเป็นการสอนหลักปฏิบัติทํานองรับประทานอาหารทํานองกินยาอ า, ารที่รับประทานเข้าไปก็จะทําหน้าที่ป้องกันความหิวขจัดความหิวเพิ่มเรี่แรงเพิ่มความอิ่มรักษาเรี่ยวแรงรักษาความอิ่มเอาไว้ธรรมะเหล่านี้เราจะเห็นว่าต่างกันโดยวิธีการสื่อสารวิธีการสอน แต่พอปฏิบัติไปแล้วผลก็จะออกมาแนวเดียวกันนั้นอวิชาสังโยชน์ที่กล่าวมาโดยลำดับกันเป็นการมองในแนวไคละอากุศลซึ่งก็หมายความว่าเป็นการเพิ่มกุศลขึ้นในขณะนั้นๆด้วยลักษณะของอวิชาถ้าเรามองให้ดีแล้วมันก็มีอยู่สองระดับใหญ่ แต่แรกคือความไม่รู้เป็นความมืดบอดในด้านใช้เหตุผลและสติปัญญาไปเลยพวเหล่านี้แสดงอาการออกมารุนแรงในเรื่องของความคิดเห็นที่รู้เจ้าส่งคัดค้านทรงตำหนิมาตั้งแต่ตอนสัสรุปใหม่ๆคนนี้ท่านสาวชนทั้งหลายคงนึกออกในปฐมเทศนาคือธรรมจักวัรตนสูตรนั้น ประโยคแรกในการเทศสอนพิสุปัญวาวะคีพระเจ้าทรงปฏิเสธทางดำเนินสองทางที่คนในยุคสมัยนั้นเชื่อถือกันโดยยกย่องสรรเสริญกันทั้งสองฝ่ายนั่นคือการมาสุขันินการนุยกการประกอบตในในภัวพันหมกมุ่นบุ่นวาอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสกามคือบุ่นวาอยู่ในวัตถุการมเท่าไร พวกเหล่านี้ถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็คือพวกวัตถุนิยมเราปราบสังคมปัจจุบันว่าเป็นสังคมบริโภคเ พ, พียรพยายามที่จะปรนปรือตัวเองมุ่งตอบสนองความต้องการของตัวเองแล้วก็ยื้อแย่งแข่งขันกันบางครั้งเพื่อได้สิ่งที่ตนต้องการปรารถนามาไว้ครอบครองคนจึงต้องฆ่ากันเราจึงพบพิธีการฆ่าที่รุนแรง มีการทำลายล้างกันอย่างรุนแรงในเบื้องหลังจริ ง, รงๆก็คือต้องการจะยื้อแย้งผลประโยชน์ต่างๆที่คนเหล่านั้นถือไว้ครอบครองไว้เป็นเจ้าข่าวเจ้าข้องอยู่จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของตัวเองพันธสึกสงครามต่างๆเราจะเห็นว่าจะออกมาในแนวนี้หรือมุ่งปนปลือตัวเองกับพวกพ้องตัวเองเป็นประการสาคัญ พระจ้าทรงชี้เห็นโทษไว้ในที่นั้น้าประการได้กันการแรกคือเป็นของที่ต่ำเป็นของสาธารณะทั่วไปแก่คนทั้งหลายถ้าเป็นเหตุได้มีครอบมีครั ว, รวตั้งบ้านตั้งเรือนและเป็นของที่ต้องอาศัยพื้นฐานของกิเลสที่มากมากความเป็นเรื่องของคนกิเลสมากๆ เราก็จึงตัวมันเองเพราะวัตถุการมนั้นหลายนั้นไม่เป็นของประเสริฐและไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นเหมือนกับความฝันเป็นเหมือนกับพยับแดดเป็นเหมือนกับภาพมายาไม่มีอยู่อย่างแท้จริงเพียงแต่ไมมีอยู่ด้วยการปรุงแต่งของจิตคือจิตปรุงให้เกิดความสวยงามขึ้นก็ความรู้สึกว่าสวยงามมันก็มีอยู่ภายในจิตของบุคคลเราได้ เพราะแนวความคิดเหล่านี้ก็คือแนววัตถุนิยมดังกล่าวจะทำให้ใ จ, จิตใจของบุคคลที่ถูกครอบงมด้วยความคิดสายดีติ้นลนขวนขวายสแสวงหาเพื่อสนองตอบความต้องการของตนกลายเป็นลัทธิาศาสนาในยุคของพระพุทธเจ้าเราก็เรียกอยู่สองชื่อชื่อหนึ่งเรียกว่าโลกาญาตคือเป็นการให้ความสาคัญแก่โลกกะวัตถุ ชื่อหนึ่งเรียกว่าจาราวาถ้าถามว่าความคิดเต่า น, นี้เกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความคิดที่เรียกว่าเกิดมาหนึ่เดียวตายหนึ่เดียวชีวิตของคนเราก็จบสิ้นอยู่ที่เชิงตะกอนผะคนพวกนี้จึงไม่ไปกลัวบาปกรรมกลัวนรกสวรรค์อะไรพเขาปฏิเสธหมด ความคิดสายนี้จึงออกมาในรูปที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่านิยตามิชาทิฏฐิคือเป็นความเห็นที่ปักลงไปแล้วก็ตรึงเอาไว้อย่างนั้นไม่ยอมขยับพเยืนไปไหนใครจะพูดชี้แจงอธิบายยังไงก็ไม่ยอมฟังก็อย่างลักษณะที่เขาเล่าเป็นนิทานเรื่องเทวดากันนอนเป็นความคิดนั้นอย่างเป็นความคิดของนอน คือมองมาที่การบริโภคถือว่าตัวเองไม่ต้องทรอาหากินอะไรเช้าขึ้นมาก็มีคนเอาอาหารมาให้แต่ว่าสนุกสนานเพลิดเพลินแม้จะมีการอธิบายชี้แจงภาพอย่างอื่นแต่เขาก็ถือว่าสิ่งที่เขามีอยู่นั้นก็พอแล้วดีแล้วก็ไม่ยอมสละละทิ้งสถานะเดียนั้น ดังนั้นความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องของกรรมจึงออกมาขัดแย้งกับหลักที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้และทําให้สภาพจิตที่เป็นเช่นนี้ไม่สามารถจะขยับเขยื้อนไปไหนได้คือจมปรับอยู่ตรงนั้นเองจึงเรียกว่าวัฏตขาดนุกรายอยู่ยังเป็นหลักต่อของวัฏะหรือก็ตายเกิดตายเกิด ต, ตายอยู่ในโลกนี้เอง จะไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรนั้นก็คือความเหตุว่าถือว่าการกระทําทั้งหลายจะดีหรือไม่ดีก็ตามไม่ถือว่าเป็นการกระทำแล้วผลต่างๆจะเป็นผลดีหรือผลไม่ดีเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นได้ลาบเสื่อมลาบกัลยศ์เสริญมโยกตุนินทาสันเส ร, สริญประสบความสุขความทุกข์ก็ถือว่าไม่ได้มีเหตุอะไรมันเป็นเรื่องของความบังเอิญบ้างมันเป็นเรื่องของการลิขิตบ้างมันเป็นเรื่องของการ ประสิทธิประสาทหรือลงโทษของสิ่งสูงสุดบ้างเรื่องแคตาเลยอะไรต่างๆบางก็แล้วแต่แต่สายความเชื่อเหล่านั้นเราก็จะเชื่อสายไหนแต่สรุปว่าไม่ได้มองไปที่ไปที่เหตุจริงๆเพราะตามปกติแล้วผลเกิดที่ใดเหตุก็เกิดที่นั่นจะมีความสืบเนื่องถึงกันเพราะงั้นคนเหล่านี้จึงปฏิเสธตัวเหตุก็หมายความว่าผลนั้นไม่ได้มาจากเหตุ แล้วก็จะมีความเห็นในแนวปฏิเสธที่รุนแรงถือว่าไม่มีไม่มีไปด้วยประการทั้งปวงเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องกระบวนการทางจิตที่มีความเชื่อมต่อกันตั้งอดีตอนาคตปัจจุบันคนณหนี้ก็ปฏิเสธไปทั้งหมดและการปฏิเสษที่รุนแรงมากก็คือปฏิเสธในสิบเรื่องใหญ่ เกษตรการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพฤติกรรมต่างๆที่เป็นเหตุมีเหตุมีผลก็ไม่มีผลแม่ไม่มีพ่อพ่อไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีการกระทำทั้งดีทั้งชั่วของคนนั้นไม่มีผลท่านที่รู้ดีรู้ชอบตัวตนเองแล้วสอนบุคคลอืื่นรู้ตามก็ไม่มีและสัตว์ที่ตายแล้วเกิดก็ไม่มี ถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งเมื่อมองจากสายของสังสารวัฏถ้าเรียกอุเฉติทิติคือถือว่าขาดศูนย์ไปเลยสำนวนโบราณท่านใช้คำว่าชีวิตมีกองขี้เท่าเป็นที่สุดคือจบกันที่การเผาที่เชิงตะกอดทุกอย่างก็จบสิ้นกันตรงนั้นเพราะความคิดในนี้จึงถือว่ามีอวิชชาอยู่มาก จะมุ่งรนปลือตัวเองบำรุงบำเรอตัวเองหาความสนุกสนานให้แก่ตัวเองแล้วในที่สุดก็ต้องตายจากโลกนี้ไปเป็นประเภทที่เรียกว่าโมฆชีวิตคือชีวิตที่ว่างเปล่าไร้า ส, รสาระหรือบางทีลุอํานาจแก่รกผลปลือตัวเองจนลืมถึงบาปปุคุนโทษก็กลายเป็นคนประเภทที่เรียกว่าทุชีวิตคือชีวิตชั่ว วันนี้ท่านทั้งหลายผู้สังเกตพระพุทธธรรมรัมดัที่ประรบทรงประรบอวิชชาซึ่งครอบงำ จ, จิตใจของบุคคลอยู่ในระดับที่แตกต่างกันเช่นคราวหนึ่งสหายของนางวิสาขาเป็นมาอุบาสิกาจำนวนมากได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่มีนางวิสาขาไปด้วยรพวยวาาวยระเจ้ากวเทศตมาให้ฟัง ในขณะที่ทรงแสดงธรรมอยู่นั้นคนเหล่านั้นก็แอ บ, บเอาเหล้าซึ่งซ่อนอยู่ในในเสื้อของตัวเองในผ้าผ้าห่มของตัวเองมาจิบดื่มไปเรื่อยๆหนึ่งไปดื่มมาก็เริ่มมีอาการมึนเมาแล้วแสดงอาการของผู้จีบเมาออกมาโดยระดับยนรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆพระเจ้าทรงเห็นผิดสังเกตก็กำหนดรู้โดยพระทัยว่าเป็นเพราะเหตุอะไร พระทรงใช้วิธีที่เรียกว่าอิทธาวิสังขารคือบรรดาใ้เกิดความมืดปกคลุมอยู่ตรงนั้นท่าในปัจจุบันก็คือเป็นเรื่องการสอนที่ใช้อุปกรณ์ในการสอนโดยอาศัยความมืดเป็นเครื่องมือในการสอนแล้วก็ทรงเปล่งไปรูปฉัพพันรังสีพุ่งไปลำแสงมหาคนรถนั้น เธอรับสั่งเป็นการกระตุกอย่างแรงว่าเธอตั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินหรือเรื่องอะไรกันอยู่อีกเล่าในเมอโล ก, กสันนิว่าคือที่อยู่ของสัตว์โลกตา น, นี้คือสัตว์โลกที่อยู่ในโลกนี้ลุกโพรงอยู่ตลอดเวลาเธอตั้งหลายที่ถูกความมืดทุ่มพ่อเอาไว้ทำไมจึงไม่แสวงหาประชีพเป็นเครื่องส่องทางให้แก่ชีวิตเล่า คนนี้ตัางชาชนตั้งหลายจะเห็นภาพของอวิชชาที่มีอยู่ภายในใจของคนเรียกว่าไม่รู้จักกาะเทศะนั่งควังเทศอยู่ต่อพระพักพระพุทธเจ้าแท้แอบเอาเหล้ามาดื่มได้บางทัางที่ก่อนหน้านั้นก็สมาทานศีลไปแล้วเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีก็ละเมิดศีลเสร็จแล้วลเป็นการละเมิดต่อพระพักของพระองค์เสียด้วย ในความบุกคร่องเป็นจำนวนมากแต่พระเจ้าไม่ได้ส่งปลารอตรงนั้นส่งปลารอบให้คนทั้งหลายได้มองภาพชัดเจนว่าการเ พ, เพรลิดเพลินรื่นเรืงอย่างนี้มันไม่มีอะไรที่น่าเ พ, เพลิดเพลินรื่นเรองจริงๆเพราะว่าโลกนี้ลุกโพรงอยู่เป็นนิดไอ้คําว่าลุกโพรงเป็นนิดในที่นี้ไม่ได้มาความลุกโพรงด้วยไฟธรรมดา และลุกโคลงลุกไฟโลภไฟราคะไฟโทสะไฟโภคที่เผาลนใจคนอยู่ความรุนแรงาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกไม่ว่าจะพูดถึงระดับใดก็ตามเกิดขึ้นมาจากกิเลสทั้งสี่กองนี้ทั้งนั้นทั้งสามกองนี้ทั้งนั้นแล้วโดยเบียวิชาเป็นบูญราเพราะจะรับสั่งว่าเธอที่ถูกความมืดทุ่มพอเอาไว้คําว่าความมืดในที่นี้คือวิชา มันปิดบางเหตุผลสติปัญญาขาดจิตสํานึกซึ่งถ้าเรามองไปเจียบเคียงกับหลักของสัพพุทธิสถานนั้นไปทั้งหมดมาความไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้จักสถานะของตนไม่รู้จักความเหมาะความพวรไม่รู้จักการรัเทศะไม่รู้จักกลุ่มคนบุคคลที่ตนเกี่ยวข้องในขณะนั้นธรรมะล้มลงไปทั้งแถบแสดงว่ามีความมืดบอดอยู่ในด้านจิตใจปั๊ เราสั่ว่าคนที่ความมืดทุ่มห่ออย่งเงี้ยทำไมไม่แสวงหาปอาชีพคาว่าปอาชีพในที่นี้ไม่ใช่เหมือนไฟในประโยคก่อนปอาชีพเป็นที่นี้หมายถึงปัญญาที่มีระพุทธลํารมส่งแสดงว่าปัญญาเป็นลัตตนาของปรชนปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกหรือว่าคนจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเป็นต้นแน่แน คุณภาพของวิชาตรงนี้มันก็มีในส่วนของความคิดความเห็นแล้วออกมาเป็นอาการทางกายทางวิชาที่ใจสูญเสียความสงบก็ขาดในส่วนสมาธิขาดในส่วนสติเราจะเห็นว่ามันเข้าไปสู่ทางของทางผิดตลอดสายคือมีความเห็นผิดมีความคิดผิดมีความมีการพูดผิดทำทำผิด ล้วก็เลี้ยงชีพในทางจี่ผิดดำรงชีพในทางที่ผิดความพยายามความคิดเห็นจิตใจก็ผิดไปหมดแต่บางทีก็แสดงให้เห็นถึงภาพที่บุคคลมีการตรวจสอบตัวเองแต่ก็มันแสดงทั้งสองมุมหมายความว่าคนที่อยู่ท่ามกลางแสงสว่างของปัญญาก็มี คนที่อยู่ทรงความความมืดทุ่มห่อไว้ก็มีแต่คนเหล่านั้นก็อยู่ในโลกนี้แหละเป็นการเสนอแนวให้เลือกเป็นการสะท้อนภาพของโลกทั้งปวงให้ดูอย่างที่รับสั่งว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุราชรตที่พวกคนเข่าคล้องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล้องอยู่เพาโลกใบเดียวกัดมีคนอยู่สองพวกคือรู้กับไม่รู้ คนที่รู้ก็อยู่ในโลกนี้แต่เป็นผู้รู้ทันโลกรู้เท่าทันโลกไม่เดือดร้อนเพราะโลกไม่ผูไม่แพร่ไปตามโลกเราเข้าใจโลกรู้โลกดำตามความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่สะท้อนชัดเจนก็คือเรื่องของโลกกตธรรมประจัยของคนเรานันผูกแพร่ ไ, ไปตามโลกกตธรรม สวนใดที่เราต้องการปรารถนาเราได้มาเราถือครองเราก็สนุกสนานเพืิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่กับสิ่งตรงนั้นแต่่เอเจฝ่ายไมหน้าปรารถนาข้าวใจทุกโธ ม, มนันนัดเดือดร้อนเพราวันใจมันจะขึ้นจะลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เรารักและเราจับสิงที่เราไม่ชอบเพิ่มขึ้นความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นสิ่งที่เราชอบเพิ่มขึ้นความสุขก็เพิ่มขึ้น ก็แสดงว่าเคยขึ้นมาจากเหตุปัจจัยภายนอกไม่สามารถจะควบคุมจิตใจตัวเองไว้ได้แต่ท่านที่รู้เห็นทำความเป็นจริงท่านรู้ล่วงหน้าหมดซึ่งหมายความว่าเวลาเกิดอะไรเกิดขึ้นท่านก็รู้ล่วงหน้าถึงสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คือสภาวะธรรมทรั้งหลาย ที่มันเกิดขึ้นเป็นตะเกียปัจจัยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ตกอยู่ในกลุ่มของทุกข์สมุทยัยอยู่ในกลุ่มของทุกข์เรียกว่ากลุอยู่ในกลุ่มก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาเพราะอะไรเพราะมันเป็นสังขารสังขารทั้งหลายมันก็เป็นเข้ามาอย่างนั้นเองผลพอเปิดขึ้นนี่พอพอมัเกิดขึ้นใจท่านก็รู้สัมพันธ์กับการเกิด ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามท่านก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วแกท่านแต่สิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะเมื่อเกิดขึ้นมาตั้งอยู่บรรดาบไปมันก็เรื่องของมันใจของท่านจะไม่ผูกไม่แพ้ไปตามเกิดขึ้นทำความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นข้อนี้ผมสังเกตว่า มันก็เหมือนกับการที่อะไรก็ตามเช่นสมมุติเราดูการแสดงถ้าเรามองในแง่ของวิทยาการแง่ของศาสตร์แง่ของศิละปะต่างๆจเราจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทที่เขาแสดงแต่เราจะมองในแง่ของศิละปะว่ามีความเหมาะสมถูกต้องดีงามตีบทได้แตกแสดงได้ดีหรือไม่ทนันใด จะมองในแง่เป็นงานศินละปะไม่ได้มองเอาตัวเองเข้าไปมีบทบาทร่วมกับการแสดงเหล่านั้นล้วเกิดเป็นฟอกเป็นฝ่ายกับการแสดงเป็นพวกพระเอกเป็นพวกนางเอกเป็นพวกโกโก้อะไรต่างๆใจเราก็จะเดือดร้อนไปกับการแสดงเหล่านั้นจำนองคล้ายๆกระพุกแมยกฤติเกตทั้งหลายนั้นภาพที่เราเห็นนในชัดว่าเป็นมีอาการของวิ ช, ชาทำให้เกิดราคะทำให้เกิดโลภทำให้เกิดโทสะขึ้น แต่แต่ความรู้เห็นมันก็มีศิละปะมองในแง่ของความเป็นศินละปะจนถึงก็มองในแง่ของความรัสาระแห่งชีวิตทำนองเดียกับที่พระพารนะิบตรพระพุทธลนาท่านมองการแสดงมรารสบบนยอดภูบนบนภูเขาที่กรุงรัชชฤรึกพราเป็นการพระพรานเวลาชีวิต ทั้งของตนเองทั้งของผู้ดูทั้งผู้แสดงแล้วในที่สุดทั้งผู้ดูทั้งคนแสดงก็ต้องตายจากโลกนี้ไปก็ไม่มีสาระแก่นสารอะไรจากการดูเหล่านั้นเพราะขึ้นอยู่กับพื้นฐานในจิตใจของท่านในการมองสิ่งเหล่านั้นว่าท่านมองเห็นได้ขนาดไหนตัวการที่กําหนดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราจึงสงใช้ยคำเดียงสองคำคือรู้กับไม่รู้พูดง่ายว่าวิ ช, ชากับอวิ ช, ชา ใจิตใจของใครก็ตามที่เพิ่มปูนตัวรู้ขึ้นมาได้มากนอกจากเขาจะกระจัดความไม่รู้ให้เราแล้วเขายังเพิ่มปูนเหตุผลเพิ่มปูนสติปัญญาเพิ่มปูนความรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักกาลเทศะรู้จักกลุ่มคนรู้จักบุคคลให้เพิ่มปูนมากขี้ขึ้น การปว่ตตนของบุคคลเหล่านั้นก็จะเคลื่อนไหวไปสอดคล้องกับสิ่งทั้งหลายดังกล่าวแล้วและพื้นฐานของวิชาคือความมืดบอดอีกสายหนึ่งก็คือสายที่พระเจ้าทรงปฏิเสธไว้ในธรรมจักกัตนิสูตรตอนต้นเช่นเดียวกันที่ทรงใช้คำว่าอัตกษษษษษษษษิลามะธานโจคเป็นการมองโลกมองชีวิตทานองคล้ายๆกับเป็นผดผลจากสูงสวรรค์ ที่สวรรค์ส่งมาให้อยู่ในโลกนี้แล้วเมื่อเสร็จแล้วก็กลับไปอยู่ดวนสวรรค์ต่อไปนั่นคือความคิดเต็นที่ว่าโลกมันเทียงแต่ว่าโลกโดยจิตใจของคนนั้นถูกขังอยู่ในกรงขังคือร่างกายเพราะนี้นต้องทาลายร่างกายให้ประสบความทุกข์ทรมานทำนองคล้ายๆกับคนติดคุกแล้วต้องทำลายคุก ก็หแหกคุกออกไปข้างนอกให้ได้แล้ว อ, ออกไปแล้วใจก็จะไปรวมอยู่กับสิ่งสูงสุดซึ่งตนเคารพนับถือก็แล้วแต่จะเรียกกันอย่างในสมัยนั้นก็เรียกว่าพรหมมันบ้างพระพรห ม, มบ้างปรชาชญ์ปฎิบัติบ้างแต่สิ่งที่คนก็เชื่อและยอมรับก็เรามีอยู่แล้วก็กลายเป็นสิ่งสูงสุดที่เป็นสภาะแท้แท้ยั่งยืนไม่แปรบบผัน สัพจิมิตทั้งหลายในโลกนั้นแยกมาจากสิ่งนั้นแต่มาถุกขังอยู่แนในร่างกายมาใช้ความเพียรพยายามหลุดพ้นจากร่างกายไปได้ก็จะเข้าไปอยู่รวมกับสิ่งนั้นต่อไปเพราะฉะจึงมีวิธีการปฏิบัติตนนิธรรมานต์ต้นด้วยวิธีการต่างๆซึ่งพระเจ้าเองในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ศัสรูก็เข้าไปมีสูตรเขาด้วยในเรื่องเหล่านี้เป็นการปฏิบัติที่เกิดขึ้นมาจากอวิชชา โดย ม, มองปัญหาความจริงเมื่อกายกับจิตนั้นเกี่ยวเรื่องถึงกันถ้ากายกระสับกระสายแล้วจิตจะสงบไม่ได้เมื่อจิตสงบไม่ได้ก็แสดงว่าของพ้าไม่ได้เพราะมันจะมีราคะมีโลภมีโทสะมีโมหะคุ้มลุ ม, มจิตอยู่อย่างต่อเ น, นื่องอย่างนั้นจึงทรงแสดงว่าเป็นของที่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นเป็นของที่ไม่มีประโยชน์และไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประเสริฐอะไร ในเรา่นี้ภาษาปัจจุบันก็คือภาษาที่เราเรียกว่าจิตนิยมเพียงแต่ว่าจะอยู่ระดับหยาบระดับกลางหรือระดับละเอียดเท่านั้นความคิดของชาวโลกมันจึงมาจากสองขั้วคือวิชากับวิชาดังกล่าวความเห็นทั้งสองแนวนั้นเป็นเรื่องของอวิชาจนถึงก็มองชีวิตหลังตายว่าไปอยู่รวมกับสิ่งสูงสุด หมายความม่ามาจากที่ไหนก็ไปสู่จิดนั้นจะใช้ความเพียรพยายามหรือไม่อะไรก็ตามก็ส่วนใหญ่ก็มุ่งไปที่การทรปานทางกายแต่ลืมมาในแง่ของตัววิชาเองมันก็ต้องอาศัยวัตถุต้องอาศัยในส่วนของจิตใจแต่ไม่ตกไปฟากทั้งซ้ายทั้งขวาก็มาอยู่ตรงกลางที่เรียกว่ามัชิมาปฏิปทา ในความเป็นมันธิมปฏิปทามันก็มีจิตมีวัตถุมีกายมีจิตมีรูปมีนามอยู่นั่นเองเพียงแต่ว่าไม่ไม่ตกขอบทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ศึกษาเกิดความรู้จริงเห็นจริงในกายกับจิตจนกายกลายเป็นเครื่องอาศัยจิตก็เป็นใหญ่เป็นหลักเป็นประธานปนาังหาายมันก็แก้กันที่จิต จะรู้ความจริงว่ทุกก็อยู่ที่จิตสมุทัยก็อยู่ที่จิตนิโรธก็อยู่ที่จิตแม่มรรคเองก็อยู่ที่จิตเพรา ะ, ะนั่นบุคคลสามารถสร้างมารรคให้เกิดขึ้นได้มรรคนอกจากทำหน้าที่สร้างนิโรธแล้วยังไปขจัดสมุทยัยขจัดทุกข์ตามไปด้วยเหล่านี้เป็นการสะท้อนภาพของความจริงมาจากทุกแง่ทุกมุม แต่มาสรุปรวมหลงอยู่ในที่เดียวกันว่าสิ่งนั้นก็คือเรื่องของอาดยสัตทั้งสี่ประการพวกอวิชาก็คือพวกทุกขสมุทยัยผู้วิชาก็คือพวกนิโรธกับมรรคและมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปเพียงแต่ว่าขลดีงามจะเกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นมาจากสายของวิชาความทุกข์ตั้งมัวนั้นจะเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากสายของวิชา เพียงแต่ว่ามากหรือน้อยเช่นเดียวกันตอนจนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสตรต่อไป